สวัสดีครับคุณคิงใช่สวัสดีครับพี่แจ็โอ้โหเมื่อกี้ฟังเรื่องป้าแมวไหมครับฟังครับออะไรลักหนาก็ไม่รู้บ้านหลังเนี้ยนะครับแล้วมาเจอเรื่องของป้าใบอีกป้าแมวเมื่อกี้ก็บอกว่าอยากฟังเรื่องของคุณคิงเหมือนกันครับผมอ่านะฮะคุณคิงตอนนี้โทรมาจากแถวไหนเนี่ยครับผมก็ลังเดินทางกลับบ้านแฝงที่ตาแกวครับอันนี้ขับรถอยู่หรือเปล่า ตอนนี้ภักครับคุณนี้ก็เดินทางก็กอ๋อโอเคนะฮะไม่ว่าขับรถอยู่อันตรายถ้าคุยโทรศัพท์ไปด้วยนะฮะคุณคิงครับเรามีเวลาอยู่ตรงนี้ประมาณสักเกือบเกือยี่สิบนาทีทันไหมะจะพยายามระลัดเรีงดูครับนะเอาให้ทันนะนะเพราะว่ามันมันเกินเวลามากไม่ได้เพราะที่นี่เป็นคลื่นวิทยุนะครับรู้วิกันต่อ ค, คุณคิงอยากฟังที่บอกว่าเป็นเรื่องของหิ่งพมา่าหิ่งที่ว่านี้ ค, คือลักษณะเป็นหิ่งพระอะไรอย่างนี้ปะ่ะ เอ่าเป็นยิ่งเขาทำคล้ายๆยิ่งพาร์ทคแต่ว่าทำจากไม้น้าสามแล้วก็ไว้อะใช่เยอะเลยเนา ะ, ะได้เลยครับเรื่องเรื่องเรื่อง น, นี้มันเกิดที่ภาแทชชุมพรนะครับ<ภ>ตอนนั้นเนี่ยผมลงไปงานงานปั้นผมไม่มีนะครับก็นช่ันก็เลยลงไปรับหมอทำซ่าอืมพอไปรับทำซ่าเสร็จปุ๊เนี่ยมันเป็นซ่ากรซ่ากรของครูที่หนึ่งนะครับว<ภ>ันนี้ผมก็ไม่อยากนอนใช้งานกับเขาเพราะว่าเรามีเด็ก อพอเรามีเด็กเอาลงไปกันทั้งคอครัวแล้วตอนน้น ล, ลูกผมเพงจะสองขวบผมก็เลยไปหาเช่าบ้านพยายามหาที่นั่นมันไม่มีเลยที่นั่นไปหมดแล้ว <ừ> mm ตอนนี้ว่าผมไปเจอรา้านขายของตอนแรกเราก็ไปถามอามาเนี่ยอามาเนี่ยแกมีห้องอยู่ข้างหลังละอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าร้านขายของเขารู้ได้ยังไงอย่างเงี้ผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปถามบ้าน <ừ> mm แกก็เลี้ยงหมาอยู่สองตัว <ừ> mm อ, อือเข้าไปถามก็จะเป็นอามาแกแกอยู่คนหนึ่งแกก็บอกว่านี่ข้างหลังเน่ะแกเดือนห้าร้ยเองที่จะจ่าเดือนละห้าร้อย จริงจริงและทันี้ผมก็เลยแบบก็ดีนะแต่ผมไปมองแล้วคิดมันก็ไม่ได้หรูอะไรอย่ามันก็เป็นเป็นห้องเหแบบเขาเกาะขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นหลังคาไปอะไรเงี้ยผมก็เลยก็ดีด้วยนี่แล้วก็มีเต็นท์มีอะไรมากรางอันนี้เป็นห้องหรือเป็นบ้านเป็นเป็นห้องอยู่ข้างหลังบ้านเขาทีอ่มนี่ประมาณสาห้องแล้ว่าผมอยู่เลือดอยู่ห้องที่มันใหญ่ที่สุดอ่ะก็ไม่มีใครเลยตรงนั้นทันนี้ก็ผมก็เข้าอยู่วันแรกอ่ะผมได้เจอยิ่งยิ่งมนเป็นลักษณะแปลกแอืม ของไทยเราเนี่ยถ้าเป็นโต๊ะอุูช้างก็คือเป็นโต๊ะมีหลายชั้นถ้าเป็นยิ่งก็คือมียิ่งเดียวแล้วก็วางข้าวพุทเยงเดียวในวัวพระเกติอะไรเงี้ยิ่งก็จะอยู่สูงหน่อยถ้าเป็นของไทยถูกไหมฮะของพุทเราอ่ะโอเคออะืแต่อันนี้เป็นยิ่งแบบว่าเขาทําอันข้างบนเนี่ยก็เหมือนยิ่งพระชั่วไปคืออยู่สูงอันต่อมาเนี่ยก็จะอยู่ทางขวามืออืแล้วก็ต่ำลงมาหน่อยอันต่อมาอยู่ทางซ้ายมือต่าลงมาอีกที่ทำเป็นสลับฟันปลาเป็นฟันปลาเหรอฮะผมว่า ใครเขาทยิงบ้าอะไรนี่วะผมก็พูดเลยนะคือรู้เลยว่าไม่ใช่การไว้พระแน่นอนครับครันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีผู้พึ่ง้ากด้วยว่ามันมีสห้องเนยครับแกก็คงจะได้ยินเสียงแกก็ออกมาแกก็พูดของแดงขอแดนเนอะจะคนใต้แกก็บอกว่าอ๋อมันเป็นยิ่งของพม่าเก่ามันมาอยู่ที่เนี่ยนะน้องแล้วก็มันทํายิ่งอะไรก็ไม่รู้ผมเห็มันเรียกอะไรอะไรผีนักผีนักอะไรมันก็ไม่รู้แหละยิ่งซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรผมก็เลยแบบ ก็เมือจะเคยได้ยินแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งยิ่งยังไงหรอกแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามันเป็นกระดูอะไรด้วยเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรแต่ว่าผมเข้าไปเนี่ยเช่อผมรู้สึกปแปลกผมรู้สึกปแปลกแล้วผมรู้สึกว่ามันมเงียบเกือนไปแล้วมันมีความรู้สึกเป็นภาวะกดดันในจิตใจแล้วแบบตอไม่ถูกแต่ผมก็เลยอยู่อยู่แค่กระเพราะว่าเรามีมีผมแล้วก็มีคนที่ผมจ้างไปเลี้ยงลูกแล้วก็มีลูกผมจะเป็นสองขั้วเนี่ยแต่ทีนี้ อยู่ไปเนี่ยลูกผมอายุสองขวบเนี่ยเขาไม่เคยที่จะกลัวการแบบอ้อยผีมาแลเขาจะไม่สนใจเลยรวันนั้นมีอยู่วันี้ใงกลางเต็นต์กางกลางเต็นต์ทีเราจะต้องคับทุ่วันเพราะเราไม่รู้มันจะมีงูมีกระคาดเลยก็คับทุกวันแล้วก็ตำลางยืยนกลางเต็นต์อยู่ตอนนี้ไอ้เจ้าลูชายผมก็วิ่งไปอยู่บนหวเต็นต์ด้านบนแล้วมันเหมือนมันเล่นเล่นจะใครผมก็ไม่รู้ลหลอืมผมก็มองแล้วเราพูดรลอยๆเป็ลูกเราไม่เคยกลัวเราพูดยังสองขวบกว่าครัผมก็พูดว่าอยู่แล้วระวังผีหลอกนะ อันนี้ลูกผมเนี่ยวิ่งออกมาคือวิ่งด้วยหน้าตาตื่นนะพี่แล้วหน้า่ไปชนกับยิ่งอันล่างสุดออืผมโมโหมากเลยโมโหตัวเราเองเลยที่เวหลอกลูกและเราไม่รู้ว่าลูกเราเนี่ยจะจะเล่นจะกลัวยังไงแต่ที่โมโหมากกว่านั้นคือไอ้ยิ่งอันข้างล่างเห็นไหมแจ็คมันปอกตะปูไว้เต็มเลยไม่รู้ว่าห้อยอะไรหรอคือหมายถึงว่าหัวตะปูมันมันยื่นออกไาใช่จนมันเฉี่ยวตรงหน้าตารูปผมนิดเดียวออื ผมเดินออกไปสึปุ๊บแล้วมันมีขวด น, น้ำปลาน้ำปลาแบบเป็นน้ำปลาบ้านๆ น, นะเนี่ผมเอาไปถึงปุ๊บผมบอกลุงชับลุงชับลุงคนนี้แกก็จะนอนอยู่ในห้องอย่างเดียวผมก็เรียกแกออกมาอะไรเหรอ น, น้องยิ่งเนี่ยผมออกได้ไหมผมผมยินมือสั่นเลยพี่แจ็ผมโมโหมากลูกเราแบบเลือดที่คิ้วแตกอ่ะ ม, มือสั่นเลยนะแกบอกเอาออกเลยลุงก็ไม่ชอบเออผมก็ไม่ชอบเหมือนกัน ท, ทําไมทํำยิ่งอะไรแปลกแผมบอกนั้นขออนุญาตอะไเป็นพิเศษนะผมเดินเข้าไปถึงปุ๊บ ผมเลือดทุกคนออกมาจากห้องหมดเลยพี่แจ๊ผมยอมรับวันั้นผมโหผมเอาขวดน้ำปลาเนเี่ยงอัดอัดทิ้งเลยนะผมเียงพัไปกระจยกลิ่นน้ำปลาล่มเลยเขื่ใส่ิ้งเลยอะใช่ใช่แล้วผมก็ด่าเลยมึงทำิ้งตลาดเลยผมมึงอย่างนี้วะบ้านกูไม่มีอย่างนี้ไว้แล้วผมเอาไม้ไม้ไม้หาสอมไจนหลุดอย่ีมันปแค่ไม้หนามติดกับไม้อะไวไม้อะแ้่ผมคือโมโหแล้วุ่นเราเลือออกผมตีจนหลุดเนี่ยพอตีเสร็จปุ๊บ รู้สึกใจไม่ดีเลื่สภาพนเงินทําทำเกินไปว่าอืะก็บอกทางคุณตาอยู่แล้วกับที่ทาไปก็ขอเมาอภัยพูดได้แค่นี้่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าคุณจะเป็นของสูงต่ำแค่ไหนหยังไงผมขอมายกมือไหว้ก่อนก็แล้วกันผมพูดใช่ไหมผมโมอโหทันเนี้ยในวันนั้นน่ะตกกั้งคืนน่ะลูกชายผมมันลุกขึ้นแล้วทําท่าจ่อจาเป้นให้เ็กสองควบอย่างรู้สิดไม่เป็น่คก็พยายามก็แค่ผมก็ติมาถี จับขาคือลูกเราอยู่จับขาขางลูหลักจะไปไหนลูกลเด็กอะเด็กสองขวบหันมาทงหน้าหงงจะทาแบบทาตายเลยเดี๋ยวแต่เขาก็ยังไม่รู้จะงงหลืจะพูดจะงังไลเขาพูดข้างนอกเป็นไทยด้วยเพราะว่าเขาชี้เขาก็พูดว่าพ่อชี้ไปข้างนอกเต็มก็พ่ออยู่นี่ไงเขาก็ชี้ไปเรียกพ่อคือถ้าผมคิดเองนะพี่แจ๊ผมคิดว่าเขาคงคิดว่าผมมาหนข้างนอกเป็มแต่มันไม่มีใครไงแล้วเขาเด็กไทย อันนั้ก็เป็นเหตุการณ์ครับคืออ่าประมาณสองหรืนต่อมาฝันฝันว่ามันคือจะต้องบอกว่าในบ้านเนี้ยท้งห้องน้าเนี้ยเราก็ต้องออกไปเข้าข้างนอกแล้วพี่และไ อ, บอ้บ่อไอ้ห้องบน้ําเนี้ยมันก็เป็นห้องน้ำเล็กซึ่งบางทีเนี้ยเพื่อนผมที่ผมจ้างเขาเนี้ยเขาเข้าอาบน้ำอยู่อืมผมก็ออกข้างนอกเพราะมันจะมีไ อ, บอ้บ่อการแจ้งที่เขาใช้ไอ้บ่อพักเหมือนล็อกที่ถูกต้วน เขาทำไว้แต่เขาทําเป็นบ่อน้ําสะอาดเนี่ยใช้อืมผมก็ยินอาบน้ําตัว น, นั้นนะแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมก็หลงงมมังอาบน้ําก็กลางคืนคือผมเลิกงานมาตอนกลางคือผมเมาเองเนี่ยผมก็เดินมามาถึงเขาก็าอาบน้บํารียนศัพท์อยู่ผมรู้สึกว่ามีผู้หญิงทําเพลงอืมผมก็หันไปมองที่เพื่อนผมที่ว่าจ้างมามองไอ้อเจ้าหน้นก็นั่งป่องหัวหอมอยู่ผมก็ถามว่าทําเพลงหรอวะอืมเพื่อสผมทำมาหลอกเปล่าครับคํำไหน่ ให้ผู้หญิยพูดคือเพื่อเพื่อนสนิทกันนะครับผหญิงไม่จริงว่าห้หญิงพูดเนี่ยพูดเดี๋ยวผมจนะับเไว้ผมก็เลยบอกเออปากไม่มีอะไรเราต้ อ, อมันควงนับหรือผมจะู้เพียนวะอือนันผมนอนนอนฝันผมฝันว่ายอย่างนี้คือฉันฝันว่าในห้องตรงที่ผมอยู่เนะี่ยมันมีผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้หญิงเนี่ย คล้ายๆว่าจะมีผู้ชายมาจีบเยอะในในฝันที่ฟังเราทะเลาะกันนะและ<ช>้วแบบเรานั่งอยู่แล้วเข้าห็นเราเป็นหัวเราะหัวตอไม่สนใจแล้ว <ๆ S 2> ผู้ชายก็เดินออกไปข้างนอกเป็นควายมีดมอ <ๆ S 2> ผู้หญิงก็เดินเข้าไปบอกเอ้ามึงแง่ดีมึงก็แทงกูเลยอ <ๆ S 2> แล้วก็ยื้อกันนะครับแล้ผู้หญิงก็ล้มใส่มีด <ๆ S 2> ผู้หญิงนะ <ๆ S 2> ล้มใส่มีดผมเห็นว่าล้มใส่มีดจริงจริงว่าผู้ชายเนี่ยคือในฝันผู้ชายเหมือนแบบตอนแรกถือมีดมาแต่มันจะบวนว่าเฮ้ยยื้อมีดเดีเด๋ยวมันก็ผีผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยโดนแทงเขาที่ชอบของ ผมจะดุตื่นเพราะว่าในฝันเนี่ยผมจะโกลทุดเสียงว่าเ hey ฮ้ย ค, คือเหมือนกับว่ามันเกิดการลองเรื่อยแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วผมก็เ hey ฮ้ยยกมานอกนอกที่เราฝันเลยครนะตื่นเลยเพื่อถามว่ามีอะไรผมก็เล่าให้ฝันเล่นบอกไปรู้ว่ามันปแปลกๆเลยในห้องนี้หลายทีเลยแล้วก็เพื่อนบอกว่าเวลาที่เขาดูลูกชายอยู่บางทีลูกชายผมก็ชอบม อ, อ, าาาาองออกไปข้างนอกหน้าต่างหน้าต่ที่มันอยด้านหลังห้องอ แล้วก็เหมือนพูดกับใครก็ไม่รู้ oh. แต่เด็กสองพี่ว ก, ก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอแ๊เอแออยี้ oh. บางทีเขาต้องพาลูกออกไปเดินเล่นทั้งวันจนผมเนี่ยกลับมาแบบเหนยง่เข้ามาในห้อง oh. แลวลุงนั่นก็ไม่ค่อ ย, ยออกมาแล้วเหมือนไม่มีเพื่อนอยู่อะ oh. ลุงนั่นแกเป็นคนตะชิวเคยนั่งคุยกันบ้างตอนคืนนะหลังกลับไปดึกผมกนอนแกออกนั่งทางกมองังมองกอยู่ชิว oh. แกมาชอบอาม่านานแล้วอะไรอย่างเงี้บแล้วก็แกได้เล่าให้ฟังอันนี้เป็น คิดนิดนึงแต่ว่าเล่าทั้งว่าไงเดี๋ยวตอนจบที่ห น, น่อครับคับนี้ว่าผมฝ่อย่างนั้นเสร็จผมก็ไปทาํางานแล้วม <thms> ีไปทำฝ้าแล้วก็มีลูกอยู่คนหนึ่งในแก๊สท่ลุงจงตอนนี้เกษียณชีวิตไปแล้วครับเคยเล่าว่าแกเค <Aman> 慢慢ยทำงานที่บ้านออกมาอืผมไม่รู้สนุกเลยเล่าให้แกฟังแต่ผมเล่าให้แกฟังเนี่ยผมเล่าเพี้ยนจะฟังฝั่งที่ผมเล่าจะฟังว่ามีผู้หญิงอย่างนี้นะทะเลาะกันนี้แล้วเขผู้ชายเนี่ยกระโดดเอามีดแทงผู้หญิง ดูจงแกนั่งฟังอยู่แกเป็นผู้ชายแก่ตัวเล็กผิวดำเลยนะแกเหนแล้วมองหน้าผมแกบอกมีชิงผู้ชายไม่ได้แทงนะผู้ชายแม้ถือมีดอยู่แล้วผู้หญิงก็ล้มใส่มีดโซ่ที่อคอพี่แจ็คคืออย่างไรอ่ะมันลูกแลยวจริงหัวมันจริงอือคือเราไม่ได้เล่าความฝันแบบเป๊ะๆแต่เราเอามาพูดความฝันเราเป๊ะๆถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับผมแก้งพูดให้มันเพี้ยนว่าลุง ที่ผมฝันอย่างเงี้ยฝนในห้องที่ผมนอนเนี่ยมีผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกันแล้วเขาก็แย่งมีดกันมาแย่งไปผู้หญิงและผู้ชายกระโดดแทงผู้หญิงแล้วใต้ตาเราลมผมพูดอย่างเนี้ยอลุงจงแกเป็นคนนิ่งๆจริงเขาบอกผมว่าเขาบอกว่าแกเป็นเสียือดาวแกก็นั่งนิ่งๆสักพักหนึ่งจะหยุดหยุดซีะ์สปูแกหันหามองหน้าผมแกบอกมีเนี่มันมีจริงนะลองแต่มันไม่ได้ผู้ชายแทงจริงมันล้มใส่มีดมันโดนตรงข้อคอ ผมเดินกลับทันทีเลยพี่นจ้คผมไม่พูดอะไรจะถับไปไหนผมบอกไปเอากาแฟที่บ้านผมอย่างเงี้ยคือผมผมไปดูผมเริ่มเป็นห่วรูปผมแล้วเพราะฝักมันแม่นนั้นลูปผมเจอแล้วเพื่อนผมก็เจออย่างเงี้ยผมเดินกลับทันทีเลยเพราะงานเราเหมาเองมันแค่ข้ามถนนไปอ่ะพี้แจ๊ผมก็ข้ามถนนไปถึงบุกเปิดรั้วเข้าไปเดินเข้าไปสิเอ๊ยคจะเล่าอะไรฝากผมเวลาเล่าเพื่อนผมบอกเมื่อกี้ตอนคุนอนกลางวันอ่ะ กูได้ยินเก็บเหมือนผู้หญิงเสยๆจะอยู่ข้างหลังห้องแต่กูลุกขดูไม่มีใครเลยวะ่ะผมเลยบอกกว่าไปเถอะห้าร้อยไม่ต้องเสียดายแล้วครับืออยู่ได้กี่วันเองไงพอออกไปนอนไซส์ข้างนอกอครับอันนี้เพื่ อ, อนผมบอกว่าเก็บของอยังไงก็ไม่ทันมึงดูได้ถ้ามึงขนสองอยังได้บ้าออกฟังอย่างเงี้ยที่เรามีเด็กที่แล้วก็มีของนู่นนี่นั่นไงผมเลยบอกงั้นก็อยู่แค่คืนสองคืนก็ได้แล้วก็ทําเป็นอย่า บ, บอกใครเราไม่รู้เรื่องอะไรครับกลางคืนมาก็หลับหลับปกติ แล้วก็เดินจะออกมาอยู่ข้างนอกผมเดินเข้าไปเอาไฟแช็กเพราะว่าไฟแช็กเนี่ยลุงค น, นแรกแกจะชอบออกให้ผมอยู่ตรงห้องห้องครัวอะไรอย่างนงี้ยแล้ ว, นะลวผมไปเจอจ ก, กับรูปรูปหนึ่งเป็นรูปของลุงคนที่แกอยู่ห้องข้างๆผมเป็นรูปเ ข, ขาดำถ่ายไเอครับจะคิดว่ายังไงรูปศพมาถ่ายลงมศพไหมรูปหน้าศพแล้วผม ใช่แล้วผมเดินออกมาค้อที่รูงคนนั้นแ ล, ล้วรูงค้นไม่เปิดอไม่เปิดเสร็จแล้วผมก็เลยตัดสินใจบอกเพื่อนว่าผมว่าไปก่อนขอมไฟเหมาคุณจริงมือก็ออกไปนอนในไซต์งานปุ๊บเพื่อนถามมีอะไรผมยังไม่พูดน ะ, ะผมยังไม่พูดผมบอกมือรีบออกจากประตูบ้านนี้ให้ทําผลล้วนวนี้ก่อนครว่าแล้วอยู่มาหลายวันอา่าไม่เคยมาหามาดูาอือลยอแล้วอาจจะมีคนที่เขาเหมือนคนเราใช้อาม่าเพราะตกฟ้าเริ่มมืดแล้วที่เขาปิดประตูเข้าบ้านเขาเนียไม่เคยโผล่หน้ามาเห็นเลยอ ผมก็เดินเดินออกไปเดินออกไปเสร็จปุ๊บพลาดไปคนในใช้างานก็นหลัายคนเล่าผมก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องที่ผมเจอไงลุงโจ่งพูดให้ฟังไม่อสอวันนี่ยจริงจริผมฟันตรงก่บที่ลุงจงพูดเนี่ยแต่ผมแกล่าให้มันมันบิดนิดนึงจะดูว่ามันเป็นความจริงไหมแล้วถ้ามันไม่ใช่แล้วความจริงเป็นยังไงครับผมกลัวว่าถ้าผมเล่าไปแล้วลุงโจงจะบอกเออเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรแกคือแกก็เ็นเอออ่ะครับผมก็เลยพูดขึ้นมาแบบแบบปิดแล้แกก็พูดความจริงมาแต่ผมก็เล่าให้ฟังบอก ไล่ลุงห้องท้างๆก็ไม่บอกผมเลยเยื่ยมคนประทิวอ่ะครับแล้วพี่โกคิดดูแกชื่อพี่โก้นคนนี้นั่งเป็นร้อยอแล้วพี่โก้คิดดูดิลุงเนีแยก็ไม่เล่าให้ผมฟังแต่ก็ยังถ่ายรูปอะไรเพีย้ยนๆไว้ที่ห้องนั้ น, นอีกพี่โก้ก็บอกเคยมีลุงที่ไหนอยู่บ้านนั้นเนะียอผมก็เริ่มแบบคือมันสะ ก, กิใดใจแหละลูกที่เราเห็นนะสะ ก, กิดใจเสร็จผมรอถามลุงจงอีนวังอีกวั น, น, วน ล, ลุงจงไม่มาไม่มาทําทงานผมร้อนใจมากเลยเนี่ยตกเย็นผมขิ้เลยไปหาแกที่บ้านค ลุงในบ้านอาม่เนี่ยมีลุงแก่ๆคนนึงเนี่ยที่สูงๆแล้วผมงอกตัดผมทรงรันวินเนี่ยใส่แว่นเนี่ยตัวใหญ่แนละ้วดำๆแล้วแต่อยู่เยอะแล้วเนะี่ยดีไหมครับแค่บอกนี้มันล้มตายหัวหน็อกข้างในแนละ้ตั้งหลาปีแล้วโอจริงป่ะโอ้พคิดดูแล้วพี่แจ็คเป็นหมพี่จ็คเป็นยังไงอ่ะแล้วผมยังไม่ได้เรื่องนี้ไม่รู้เพื่อนผมฟังอยู่ป่ะนะตอนนี้ถ้ามันฟังมันรู้ตอนนี้แหละครับเนาะคือ ลุงจงคนนั้นไอ้ไม่ใช่ลุงคนนั้นอะที่เป็นคนประทิวเนี่ยคือแกตายไปนานแล้วใช่ที่นอนห้องกับผมที่ผมยิ้มกัแกทุกีกับผมทุกวันที่กลางคืนบ้างออกมานั่งคุยกุลีนั่งคุยกับผมอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีนานๆเราก็เรียกเียถิ่งจอกมาแล้วคุณคิงคุณคิงไปคุยกับใครใช่พี่แก๊คคุยและผมแล้วผมนั่งคุยเราที่ผมบอกว่ามีที่งนหนึ่งที่เขาบอกคือเขาพูดที่ผมฟังว่าโอ๊ยสนุกอ่าคือเขาก็ได้บอกฟังว่าห้องเนี้ยไอยิ่งที่ว่าเนี่ยแกเป็นคนบอก พาอแม่นั่นเองว่าถ้าเลี้ยงผีเลี้ยงสังเน่าไม่ต้องออกมาอาแล้วพม่เนี่ยทะเลาะกับอาม่เรื่องไม่รู้ผมจเข้าวาเรื่ ม, มาเนี่ยและอแม่เนี่ยไล่ออกจาลลกบ้านโดยไม่ได้ผลสองตอย่างแล้วอาม่เนี่ยมาหยิบไอ้ถุงกระดูกอะไรสักอย่างที่อยู่บนยิ่งอันล่งบนเนี่ยอเอายนไปข้างหลังห้องเปิดฝาไม่มี ใ, ใครเดว อ, ออกอูจริงมากจริงครับอูยแล้วเป็นหลังห้องก็คือตรงจุดที่ลูกชี้ไปบ่อยใช่ไหม ใช่แล้วแครผมกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงทำเพลงมาจากบริเวณนั้นแล้วก็ยังแกเพื่อนเพ<อ>ื่นอนผมอกว่าเป็นผู้หญิงทําเพลงมาจากบริเวณนั้นค<ถ>ซึ่งตอนนั้นน่ะผมบอกเลยว่าผมรีบหัวใจสุดใช่ไหมแล้วก็หลังจากผมออกมาจากที่นั่นน่ะผมได้รู้อะไรมากมายกับบ้านแล้วเขาบอกว่าบ้านนั้นนะค่ากันตายทั้งสอคนตายแล้วทพ่อแม่แต่ว่าอม่าเนี่ยแกบางคนมีจระตังนิดหนึ่งไงอจะตังนิดหนึ่งมันก็จบอยังง่างง่ายก็ปิดข่าวไป ใช่แล้วก็ตายเลยี่จริงแล้วพ่อมากค่ากันเองที่บ้านก็ยังไม่รู้เลยนะแล้วก็ท้ายมาทั้งหดเนี่ยจะเอามาคนเดียวนคนดูแลนั่นซึ่งที่ผมจําได้แต่ปันหลายปีมาแล้วไม่รู้นนี้จะยังยังไง่ะเพราะว่าแกก็อยูอเ่เยอะแล้วตันผมจะเห็นว่าทุกเย็นเลยเวลาผมเดินเข้ามาเนี่ยแกจะถามผมคำหนึง่งทําหน้าต่กงว่ามาใช่ไหม ออมาแล้วก็ดีแล้วแล้วแกก็เป็นศัตรูแล้วแกก็ปล่อยให้ผมยุ่งหลับไปโดยธรรมชาติเนี่ยแกเราเข้าบ้านเขาครับเขาต้องโผล่ราฟูมกี่รอยบ้างถูกอยู่ได้ไม่สบายไหมถูกนี่ไม่เคยมีเลยแล้วแก้วมังกรลูกที่ลุงคนนั้นสิบิบมาให้ผมใอ่ใช่ถ้ามันมีวันนึงผมเคยเดินถึงแก้วมังกรออกไปแกถามว่าเอามาได้ไงจะทำเต็มแข็งเลยนะอผมบอกลุงคนที่เป้าท่องเอาให้ผมครับ แกก็มองหน้าผมแกบอกอ๋ออ๋อแล้วแกรับนั่งดูทีวีปิดหน้าต่างทีวีต่อครับผมคิดว่าแกคงกลัวแน่ๆเลยเพราะว่าลุงเขาเป็นคนหยิบแก้วบางกรนี่บอกจริงไหมคนที่ผมบอกโอ้ยแกบอกเอาไปกินได้เลยอาม่าไม่กล้าด่าหรอกผมบอกให้จพูดอย่างนี้นะแก้วบังกรและข้างหลังบ้านแกมีต้นต้นท้อทอจีนอนมีด้วยนะจะดูเป็นมงคลดีทำไมถึงเรี่ยงอย่างนี้ทีบ้านแกผมก็ไม่รู้สมมติว่าอาม่ามาด่า ตัวเราก็จะบอกว่าอากลุงเขาบอกให้เอาผมว่าอาาก็ช็อกอะใช่ั้มอา마ก็ช็อกอะเออโอ้ยบ้านบ้าอะไรวะเนี้ยจากทุกวันนี้ยังอยู่เลยนะพี่แจแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอา마ก็ยังอยู่หรือเปล่าแล้วเผื่อเนี่ยผมเล่าเรื่องเนี้ยเพราะว่าท่าแจ๊เนี่ยมันเป็นเป็นอำเภอที่เาหน้าจะรู้ักกันมันกใควมีกระักหน่อยยไม่รู้แต่ในคนเล่นสล็อกอย่างว่าอามาไหนเลยอืมโอ้โหเอ้ โอ้ยแต่และเรื่องตายตายตายตายจากเรื่องป้าแมวนะครมาเรื่องคุณคิงเอาเอาโอ้คุณคิงกับป้าแมวนี่เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการเอาเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังมากเลยนะครับโอ้เรื่องแบบฟัง แ, แล้วแบบโอ้ตายแล้วคือมันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่เหมือนเป็นดวงเหมือนกันนะคุณคนะิงเนาะคือคือเราเราเจออย่างนี้ไปหมดใช่มันเป็นอาการที่ว่าหนึ่งเลยนะผมผมไม่รู้ เนอย่างนี้มาตันงแต่เด็กผมไม่เคยคิดว่าผมมีสัมพัสถ้าคนมีสัมพัธสเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนที่เขาออกทีวีหรือเปล่าเห็นเรื่องนี้นะ่แต่ผมไม่ใช่นะผมจะเป็นเป็นคนที่บังเอิญมีจังหวะจังหวะใช่มีบ่อยอะไรอย่างนี้เพราะเราทำงานใกล้กับอย่าใกล้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะคือทํางานใกล้เขาอ่ะมันก็ต้องมีโอกาสเจอบ้างแล้วเจอแต่ละรอบนี้ผมว่ามันโหดนะโอ้สงสารเลยหครั้งนะพีที่ผมเจอแบบไม่รู้ตัวอย่างเนี้ย แล้วอย่างตอนนี้วิญญาณทีเนี้ยเพื่อนผมที่ฟังอยู่ถ้าเขาฟังอยู่เขาเหมือนพรุ่งนี้มาเลยนี้ก็โทรกระดาษหมดเล้วาทำไมคุณไม่บอกกูณวันนั้นเป็นแต่วันนั้นไปต้นมาคือไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเลยไม่คยพูดเลยพี่แจ๊คแลวพี่แจ๊กมีรูปที่ผมส่งไปให้พี่แจกได้เลยครับที่ว่าเป็นรูปพระที่ผมทาบ้านดินน่แล้วพระกำลังยกไ้ไปพี่แกเกี่เลยว่าทุกวันนี้ผมยังไม่กล้าเล่าให้สาฟังเลยเพราะพระท่านนอนตรงนั้น อจะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเป็นอะไรที่ผมต้องเก็บเก็บไว้แล้วมันอึดอัดผมหยิบมันกไปแล้วไม่ได้อีกซอกคิดอ่ะโอ้ยน่ากลัวคืนนี้ทำน่ากลัวงี้ก็ไม่รู้ผมฟังทั้งสองเรื่องนี่ขนลุกขนชันแบบขนลุกไม่หยุดอ่ะเออนะาอ้าวได้ครับคุณคิงนะครับมาเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยทําให้ผมผิดหวังแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังรายการหลายท่านไม่ผิดหวังจริงนะครับสําหรับคุณคิงแล้วก็ป้าแมวนะ นะครับยังไงคืนนี้เดอะโกสเลดิโอขอบคุณมากๆนะคุณคิงนะครับเดี๋ยวมีโอกาสทั้งหน้าเราได้คุยกันใหม่นะครับได้ครับีเสมอครับผมได้ครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับเช่นเดียวกันครับ